ท่านพระครูยังไม่ละความพยายามที่จะพิสูจน์ให้รู้แจ้งเห็นจริงว่านางสาวอองรู้และจดจำบุคคลตลอดจนสิ่งต่างๆได้อย่างไรในเมื่อตามองไม่เห็น นอกจากนี้ยังสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งนี้เหมือนหรือแตกต่างจากสิ่งนั้นอย่างไรท่านพยายามทดลองด้วยวิธีการต่างๆหากคําตอบที่ได้ก็ยังไม่เป็นที่พอใจเรื่องจึงยังยุติไม่ได้วันหนึ่งนายแดงกับนายขาวพาเพื่อนรุ่นเดียวกันมาที่วัดสมคนท่านจึงเห็นเป็นโอกาส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 หนุ่มน้อยคนที่หน้าตาหล่อเหลวกว่าเพื่อนตอบเขาชื่อพิสนุชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็เป็นลูกเต้าเหล่าใครเด็กหนุ่มแต่ละคนจึงบอกชื่อตัวเองพร้อมทั้งชื่อพ่อแม่แนะนำตัวกันเสร็จแล้วในแดงจึงพูดขึ้นว่าผมกับน้องจะขออนุญาตหลวงพ่อไปดูลิกเกตที่วัดโบสถ์กับเพื่อนๆจะได้ไหมครับ วัดโบสถ์เขามีงานฉลองสาลาสามวันสามคืนได้สิเอาอย่างนี้ข้าจะให้เงินพวกเองไปซื้อเสื้อใหม่สำหรับใส่ไปดูลิกเกแต่ต้องใส่สีเดียวกันทั้งห้าคนเลยนะอยากได้สีอะไรละ่ะสีแดงครับเพราะผมชื่อแดงนายแดงรีบตอบผมชื่อขาวแต่ก็ชอบสีแดงครับ เพื่อนอีกสามคนก็ชอบสีแดงในขาวรีบตอบแทนเพื่อนเพราะต้องการเอาใจพี่ชายงั้นก็ดีแล้วพวกเองไปซื้อเสื้อแดงมาใส่แล้วพากันมาให้ข้าดูสิว่าจะหล่อเท่าข้าตอนเป็นหนุ่มหรือเปล่าท่านพูดอย่างอารมณ์ดีแล้วจึงหยิบเงินให้แฝดพี่ไปสองร้อยสั่งว่า ไปซื้อที่ตลาดปากบางนี่แหละรีบไปรีบมานะขอบคุณหลวงพ่อมากครับถ้าเงินเหลือผมจะนำมาคืนเสื้อตัวหนึ่งอย่างแพงก็ไม่เกิน30บาทนายแดงพูดอย่างเกรงใจงั้นที่เหลือก็ไปแบ่งกันคนละสิบบาทเป็นข้าขนมครับพวกเรากราบขอบคุณหลวงพ่อกัน เด็กหนุ่มรับคำและบอกพักพวกให้กราบขอบคุณหลวงพ่อจากนั้นจึงลุกออกมาทัานทีที่รับสายตาท่านสมภารในขาวก็พูดขึ้นว่าสงสัยฝนจะตกน้ำท่วมประเทศไทยเสยกกะ ม, มังหลวงพ่อไม่เคยใจดีอย่างนี้มาก่อนเลยจริงไหมพี่เขาถามแฝดพี่นั่นสิ ข้ายัางนึกว่าตัวเองฝันไปเฮ้ยพวกเอ็งว่าข้าฝันไปหรือเปล่าวะนุ่มน้อยถามพักพวกถ้าเอ็งคิดว่ากําลังฝันก็เอาเงิน200อยนั่นมาให้ข้าแล้วก็กลับไปนอนฝันต่อได้นายพิสนุพูดขึ้นไม่มากไปหน่อยหรือเพื่อนเดี๋ยวผดเตะซะหนินายแดงชักมีโมโหเงิน200อยในมือทําให้เขารู้สึกว่า ตัวเองสำคัญกว่าคนอื่นๆจะเย็นๆข้าล้อเล่นดอกนารีบๆเดินกันเข้าซื้อของเสร็จจะได้กินกว๋วยเตี๋ยวสักคนละชามข้ายา ก, กินมานานแล้วข้าก็าอยากกินเหมือนกันขขาจะสัง่งโอเล็งมากินด้วยนายวัญชัยสนับสนุนงั้นก็วิ่งแข่งกันไม่ละ่ะใครถึงก่อนก็รอคนถึงทีหลังนายขาวออกความเห็น ด้วยแน่ใจว่าคนถึงทีหลังต้องเป็นตัวเขาแล้วจะแข่งไปทำไมวะนึกว่าเองจะพูดว่าใครถึงก่อนจะได้เงินมากกว่าคนอื่นห้าบาทอะไรทำนองเนี้นายแดงว่าน้องชายนายสุชาติจึงตัดสินว่าอย่าโมามาถียงกันเลยเราวิ่งกันไปดีกว่าจะได้ถึง เ, เร็วคนทั้งสี่เห็นด้วยกับนายสุชาติ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 เป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกร้านสงสัยต้องเข้าไปซื้อในตัวจังหวัดแล้วมัง้งได้แดงเสนออย่าเลยขาดเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อท่านบอกให้ซื้อที่นี่ก็แสดงว่าต้องมีอย่างที่เราต้องการในข่าวแยง้งพลันก็เหลือไปเห็นเสื้อสีแดงตัวหนึ่งแขวนอยู่ในตู้โชว์จึงบอกพักพวก นั่นไงเห็นไหมข้าพูดจบก็หาเจอเลยเราไปดูกันเถอะเขาเดินนำไปยังร้านตัดเสื้อบุรุษที่มีเสื้อสีแดงแขวนอยู่เฮีย <Here, S 2> เสื้อสีแดงนั่นราคาเท่าไหร่นายแดงถามเจ้าของร้าน40บาทคนถูกเรียกว่าเฮียตอบ0สิได้ไหมพวกผมซื้อห้าตัวเลย นายพิสนุต่อรองซ5สบหอคอดตัวถ้าพวกหรือจะเอาก็เข้ามาวัดตัวและจ่ายค่ามัดจำตัวละส0อาิบอิตย์หน้ามารับเสื้อค่อยใจที่เหลือขอซื้อตัวที่แขวนนี่แหละมีครบห้าตัวหรือเปล่ามีคนเขาสั่งตัดไว้ห้าตัวพอดีพวกหรือจะเอาไปก่อนก็ได้แล้วอัวค่อยตัดให้เขาใหม่มะรืนนี้เขาจะมาเอาเจ้าของร้านบอกถ้าเขาขายตอนนี้ ก็จะได้กำไรเพิ่มขึ้นอีก25บาทเพราะลูกค้าสั่งตัดไว้ในราคาตัวละ30บาทงั้นพวกผมขอลองหน่อยเฮีย er, นำเสื้อมาให้หนุ่มน้อยทั้ง5้าลองปรากฏว่าแต่ละคนใส่ได้เหมาะเจาะเรากับสั่งตัดจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วจึงขอถุงใส่เสื้อตัวเดิมกลับส่วนเสื้อสีแดงนั้นสวยจนไม่กล้าถอด ด้วยกลัวจะยับยุยยีแบ่งเงินกันคนละห้าบาทแล้วจึงไปกินก๋วยเตี๋ยวกับโอเลี้ยงกระนั้นก็ยังเหลือเงินติดกระเป๋าอีกคนละหกสลึงอิมหมีพีมันกันดีแล้วจึงพากันกลับวัดพวกสุนัขพากันเห่าเกลียวกราวเพราะรู้สึกแสบตากับเสื้อสีแดงสดของชายหนุ่มเหล่านั้นหลวงพ่อครับพวกผมมาแล้ว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 เถึงกับต้องเสี่ยงชีวิตหรอกน่าทำอะไรครับเขาถามอีกไปขโมยขนมยายอองที่ในครัวไปกันเดี๋ยวนี้เลยหลวงพ่อจะให้พวกผมผิดศีลข้ออธินาธานะหรือครับผมว่าอย่าดีกว่าเดี๋ยวหลวงพ่อจะพลอยบากไปด้วยนายแดงปฏิเสธอย่างนิ่มนวลทํานอง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 ผมกับเจ้าขาไปลักขนมแกกินทีไรถูกด่าทุกทีเอาเถินหน้าลองดูอีกทีจะได้รู้ว่าแกบอดจริงหรือบอดปลอมท่านรู้ชัดว่านางสาวอองตาบอดจริงหากต้องการรู้ว่าแกรู้และจดจำใครต่อใครได้อย่างไรตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสมภารเจ้าวัด ก็นาเด็กหนุ่มทั้งห้าไปยังโรงครัวนางสาวอองกำลังนั่งเคี้ยวหมากอยู่อย่างสบายอารมณ์ท่านพระครูบอกให้พวกหนุ่มๆค่อยๆ ย, ย่องไปยืนเรียงแถวหน้ากระดานตรงหน้าหลอนประเดี๋ยวหนึ่งนางสาวอองก็เอ่ยขึ้นว่าว่ายังไงพวกเองจะมาลักขนมขากินอีกรึงไงแม่จะโว้ยวันนี้ ใส่เสื้อใหม่ทั้งพี่ทั้งน้องเลยยายรู้ได้ยังไงล่ะในแดงถามก็ขอด้กรินนางสาวอองตอบแล้วรู้ไหมว่าพวกผมมากันกี่คนใส่เสื้อสีอะไรกันบ้างคนถูกถามนิ่งอยู่ครู่หนึ่งจึงตอบว่าพวกเองมากันห้าคน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 หลวงพ่อก็มากับไอ้พวกนี้ด้วยหรือมันชอบมาขโมยขนมฉันกินหล่นฟ้องไกลๆแกวรู้ได้ยังไงล่ะโยมอองก็ตาแก่ไม่เห็นไม่ใช่หรือฉันใช้ดมกลิ่นจ้ะสมัยฉันตาดีเจ้าหมู่ฉันแยกกลิ่นไม่ออกแต่พอตาบอด ฉันก็ใช้จมูกแทนตาแกใช้จมูกเห็นแทนตาว่างั้นเถอะท่านพระครูยิ่งสงสัยจมูกกับตามันทำหน้าที่ ก, กันคนละอย่างนะ่ะหลวงพอ่อใครจะเอาจมูกไปเห็นได้ละ่ะฉันเพียงแต่จะบอกว่าฉันใช้จมูกดมกลิน่น แล้วก็รู้ว่าเป็นกลิ่นใครหรือกลิ่นอะไรคนเรามีกลิ่นไม่เหมือนกันหรอกนะอย่างไอห้าคนเนี้ยฉันเด็กกลิ่นต่างๆกันห้ากลิ่นถึงบอกได้ว่ามันมากันห้าคนหล่อนอธิบายแล้วแกวรู้ได้ยังไงว่าพวกนี้ใส่เสื้อสีแดง สีมันก็มีกลิ่นต่างกันนะหลวงพ่อสมัยที่ฉันตาคดีฉันก็จําได้ว่าสีแดงกลิ่นอย่างนี้สีขาวกลิ่นอย่างนี้พอตาหมองไม่เห็นก็อาศัยวิธีแยกแยะกลิ่นจึงรู้ว่าสีอะไรเพราะกลิ่นมันบอกอย่างนั้นหรอกหรือ ข้าก็นึกว่าแก่ได้เห็นหนอแล้วซะอีกท่านพระครูเยาฉันยังไม่ได้หรอกจ้ะท่านได้เมื่อไรเจ้าเรียนให้หลวงพ่อรู้เป็นคนแรกแล้วจวูนได้หรื อ, อยังละ่ะท่านเยาอีกฉันอธิษฐานจิตไว้ว่าขอให้ได้ในวันพระขึ้นสิบห้าค่ำ อีกเจ็ดวันก็จะถึงถ้ามีบุญว่าสัญนาฉันก็คงจะได้ดังที่อธิษฐานงั้นก็ขอให้สมความปรารถนาก็แล้วกันข้าหมดข้อสงสัยแล้วจะกลับกุฏิละเอาพวกเองจะไปดูลิเกก็ไปกันได้แล้วท่านบอกหนุ่มน้อยทั้งห้าออ ใสเสื้อแดงเนี่ยจะไปดูริเกกันหรอกหรืองั้นก็รีบไปซะเดี๋ยวจะมืดหล่อนบอกพวกหนุ่มๆวันพระขึ้นสิบห้าค่ำท่านพระครูลงปาติโมกอั่นเป็นกิจวัตรของสงฆ์ออกจากโบสถ์แล้วจึงเดินกลับกุฏิกำลังจะขึ้นไปเขียนหนังสือแม่ชีเขียวกับแม่ชีเจียนก็มารายงานว่า หลุงพ่อยายอองตายแล้วทิ้งจดหมายไว้ให้ลุงพ่อด้วยแม่ชีเขียวส่งจดหมายให้ท่านพระครูสมภารวัดป่ามะม่วงรับมาอ่านดังๆให้ชีทั้งสองได้ยินความว่ากราบนมัสการลุงพ่อที่เคารพอย่างสูงฉันได้เห็นหนอแล้วเมื่อตอนบ่ายสองถ้าไม่ได้ฉันก็คงเขียนจดหมายฉบับนี้ ถึงหลวงพ่อไม่ได้ฉันดีใจที่อธิษฐานขึ้นจึงขอลาไปสร้างกุศลต่ อ, อยังสวรรค์ชั้นดุสจิตอันเป็นที่สถิตของนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายฝากทำศพให้ฉันด้วยและหากมีอะไรที่ฉันเคยล่วงเกินหลวงพ่อไว้จะด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีหรือด้วยใจก็ดี ฉันขออโหสิกรรมจากหลวงพ่อด้วยเห็นหนอบอกฉันว่าหลวงพ่อหลุดพ้นแล้วฉันก็กําลังเดินตามรอยเท้าหลวงพ่อจ่ะเขากราบน้ำสการลาลงชื่อนางสาวอองแม่ชีไปเห็นตั้งแต่เมื่อไหร่แกตายนานหรื อ, อยังท่านพระครูถามแม่ชีทั้งสอง คงไม่ถึงชั่วโมงหรอกจ่าหลวงพอ่อเพราะก่อนหน้านี้ชั่วโมงหนึ่งแกไปหาฉันที่สำนักทีบอกว่าอีกชั่วโมงให้ช่วยมาหาแกหน่อยแล้วแกก็ขอบใจฉันกับแม่ทีเจียนที่ช่วยซ้อนกรรมฐ า, านให้แม่ทีเขียวตอบแม่ทีเจียนจึงเสริมว่าฉันก็ไม่ได้เอกใจเพราะกําลังทำงานเพลินพอนึกขึ้นได้ จึงชวนพี่เขียวไปดูแก่ที่โรงครัวก็เห็นว่าตายแล้วจึงมาเรียนหลวงพ่อนี่แหละเอาเถอะถ้าอย่างนั้นก็ไปจัดการอาบน้ำศพให้แกส่วนโลงคงต้องไปซื้อพรุ่งนี้เช้าอาตมาว่าสวดพระอภิธรรมสามคืนรุ่งเช้าก็ชาปน ก, กิจเลยดีไหมท่านขอความเห็น สุดแล้วแต่หลวงพ่อเธอจ้ะญาติพี่น้องแกก็คงไม่มีแล้วกระมังเพราะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ไม่เห็นมีมาเยี่ยมสักคนหลังจากชาปน ก, กิจศพนางสาวอองได้สามวันวัดป่ามะม่วงก็ได้ต้อนรับพระอคันตุกะรูปหนึ่งซึ่งเดินทางมาจากวัดภาวนาพิราตารามลุงพี่สบายดีหรือครับ พระมหาวิจิตตทักทายท่านพระครูหลังจากกราบเป็นจางคประดิศสามครั้งแล้วก็เรื่อยๆท่านมหาไปยังไงมายังไงล่ะนี่คือผมไปเยี่ยมโยมแม่ที่ดงมันเลยมาแวะเยี่ยมลุงพี่ด้วยผมสอบได้ป ร, ริญธรรมประโยค9ก้าจึงตั้งโรงเรียนประยติธรรมขึ้นในวัดเพื่อสอนพระสอนเนนซึ่งตอนนี้มีอยู่ร้อยกว่ารูป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 ท่านมหาจะกรุณาเป็นธุระให้ผมได้หรือเปล่าหรือจะให้บวชที่วัดนี้แล้วค่อยไปท่านหมายถึงนายแดงกับนายขาวผมไปบวชให้ที่วัดภาวนาก็ได้ว่าแต่ลงพี่ขออนุญาตพ่อแม่เขาแล้วหรือครับไม่ต้องขอหรอกท่านมหาเขาไม่มีพ่อแม่มีคนเอามาทิ้งไว้ที่ประตูหน้าวัด ตอนที่ผมไปพบน่ะมดขึ้นแล้วเลยอุ้มมาให้แม่ทีเขาเลี้ยงกว่าจะโตผมถูกคนเขาหน่นทาเสียไม่มีดีเขาหาว่าผมมีลูกกับทีลือกันจนไปเข้าหูเจ้าคณะจังหวัดตอนแรกท่านก็เชื่อพอไปประชุมที่ศรีลังกาด้วยกันท่านก็ถามผมก็เล่าให้ท่านฟังตามจริงท่านจึงรู้ว่า ผมถูกใส่ร้ายป้ายสีคนเดี๋ยวนี้ไม่กลัวบาปนะครับหลวงพี่ผมเองก็เคยถูกกล่าวหาในเรื่องคล้ายๆกันนี้ที่วัดผมมีชีมาอยู่หลายคนบางคนก็มาบวชเพื่อจะศึกผมพยายามป้นเปียนที่กุฏิผมก็ตะเพิดไปทุกครั้งเขาก็เอาไปเป่าประกาศว่าผมจะปล้ำเขาคนที่ไม่รู้ความจริงก็พากันเชื่อ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 เพราะได้ตั้งปณิธานไว้แล้วผมก็เหมือนกันครับหลวงพี่ผมมาบวชก็เพราะหวังมรรคผลนิพพานผมจะสอนพระเนนไปสักระยะหนึ่งพอมีคนสอนแทนได้ผมก็จะออกทุดงผมอยากพบหลวงปู่เทพโลกอุดร อ, อยากถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านลูกเคยพบท่านบ้างหรื อ, อยังไม่เคยพบท่านจังๆพบแต่ภาพเลือนๆ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 ท่านพระครูมองหน้านายสมชายรู้สึกถูกชะตาและรู้ว่าเขาจะทำหน้าที่ดูแลรับใช้ท่านดีกว่านายสำริดหลายเท่าขอบใจนพนุม่มขออนุโมทนาและบอกกับนายแดงและนายขาวว่าข้าจะส่งเองสองคนไปบวชเนนอยู่กับท่านมหาจะได้เรียนบาลีกับท่าน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 ค่อยไปพรุ่งนี้ดีกว่านิมนท์ท่านมหาจำวัดที่นี่สักคืนนะจะได้คุยกันไม่เจอกันเซนนานผมมีเรื่องคุยเยอะท่านพระครูนิมนต์เจ้าอาวาสวัดภาวนาพิราตารามขอบคุณครับผมก็อยากคุยกับลงพี่เหมือนกันผู้บวชที่หลังรับคำเชิญ นั้นผมกราบลาหลวงพ่อไปวันนี้เลยนะครับนายสาริ์พูดขึ้นตามใจเองก็แล้วกันส่วนเธอก็ไปไปมาๆก็ได้วันไหนมีธุระสำคัญจึงค่อยมาค้างที่วัดเจ้าแดงกับเจ้าขาวจะไปพรุ่งนี้เธอก็มาอยู่ห้องเจ้าสองคนนี่แทนก็แล้วกันค ร, บนรับนายสำริดกับนายสมชายลุกออกไป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 ลงเสถ่ลุงพี่ขรืหั์เมาก็ยังดีกว่าพระเมานะครับหลวงพี่เกลียดคนกินเหล้าแต่ผมเกลียดพระกินเหล้าที่วัดผมให้ศึกไปหลายรูปแล้วไม่เอาไว้เป็นเยี่ยงอย่างของพระเนรรอกแต่ที่วัดหลวงพี่คงไม่มีนะครับถ้ามีผมก็จะให้ศึกเหมือนกันนี่มนต์ท่านสงน้ำให้สบายก่อนเถอะครับ ยังมีเวลาคุยกันอีกนานวันพระขึ้น15ห้าคำเวลาประมาณตีสาท่านพระครูฝันเห็นหลวงพ่อของท่านพระพองมาบอกพระลูกชายว่าท่านจะไปบำเพ็ญบารมีต่อในเทวโลกจึงมาลาพระลูกชายหลวงพ่อปฏิบัติไปถึงไหนแล้วครับ ท่านพระครูถามหลวงพ่อของท่านในฝันผมเข้าถึงกระแสแล้วปิดอบายภูมิได้แล้วฝากท่านดูแลโยโมแม่ของท่านด้วยส่วนเรื่องศพของผมหลวงพ่อชอบท่านคงจัดการตามหน้าที่ผมขอลาภาพนั้นหายไปท่านพระครูตื่นบาเพ็ญสมณกิจท่านรู้ว่าเรื่องในฝันนั้น เป็นจริงทุกประการ